นางภิกษุณีองค์หนึ่งบางคนก็อาจจะเคยผ่านมาแล้วบางคนไม่เคยผ่านนางภิกษุณีคนนั้นเชื่ อ, อว่าอุบลวรรณนาเพราะที่เจตวันจะมีสองขวา ง, งขวางกวากถ้าจาไม่ผิดก็คือกวากตะวันตกจะมีครองเล็กๆอยู่ ขวางตะวันตกเป็นของนางภิกษณุณีขวากขวากตะวันออกเป็นของพระภิกษุสองและพระพุทธเจ้าทีนี้นางภิกษุณีก็อยู่เป็นกระต้อบกระต้อบกระต้อบในประเทศอินเดียนะคือกระต้อบไม่ใช่สวยงามเหมือนในประเทศไทยเราก็แค่มงแฝก ผาหนังก็เอาไอ้ก้านไม้เรียวไม้เอาไปคัดคั ด, ค, ดคัดกันแล้วก็เอาดินขี้โครนผสมกับใบไม้ขี้หัวเอาไปฉาบทำเป็นขวาปาหนังนี่ก็ทำง่ายง่ายแต่เราสังเกตอก็จะทำง่ายง่าย ทีนนางภิกษุณีก็อยู่เป็นกระตอ๊อกกระตอ๊อกกระตอ๊อกก็มากเหมือนกันแต่หมายเพราะพระพุทธเจ้านะั้นอาจจะถึงง่าร้อยก็ได้ที่เจดวันนั้นทีนี้นางภิกษุณีที่สวยที่สุดเคยเชื่อนางอุบลวรรณนาเป็นดาวเด่นอยู่เดียมาวันหนึ่งโุรุษบ้า ก, กาม คนหนึ่งมันก็จับตามองนางภิกษุนีอุบลว น, นานั้นมันก็พยายามหาทางจนได้ทีนี้นางภิกษุนีจะเดินจงกรมนั่งระมาทิเดินจงกรมก็เดินรอบรอบกุฏินั่นแหละมไม่ต้องไปไกล อนนี้นางอุบลวรรณ น, นานะท่านเป็นนางภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ก็ก็ไม่ได้เปิดเผยหรอกว่าใครเป็นพระอรหันต์ใครไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ไม่มีเรื่องขึ้นมาก็ไม่รู้อย่างกับพระจักกุบานนั่นแหละท่านตาบอดตาบอดเพราะว่า ท่านไม่นอนสามเดือนทีนี้ปุปประกำคือกรรมในชาติก่อนท่านเคยเป็นหมอเราเคยเป็นหมอรักษาคนรักษาคนนั่นคนนี้คนโน้นรักษาเป็นหมอเก่งอคนหนึ่งตาบอดมาหาท่านไม่ใช่ในชาตินี้นะนชาติก่อนนู้นท่านรักษาให้สว่างขึ้นแล้วยังยังเลย ระวังได้ยังยังเลยจนยาสุดท้ายแล้วยาที่วิเศษที่สุดก็ยังไม่หายอ๋อไอ้นี่มันโกงแล้วเห็นมันโกงแล้วท่านก็เลยใส่ยาตาบอดให้ทีเดียวบอดเลยทีนี้พอมาชาตินี้ท่านก็เลยเป็นพระจักกุบาลแล้วก็ต้องตาบอดทีนี้นางอุบวลวรรณานี่เืออ๋อเดี๋ยวก่อนเอ่า พระจักกุบาลนะก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เดินจงกรมของท่านนะ่ถือเชื่อกถือว่างวางถือว่างวางถือว่องวางดัมจิตว่างวางพอตอนเย็นฝนตกหนักข้ามมาแรงเม้าก็ลงเต็มที่ทางเดินของท่านท่านก็เลยเดินจงกรมละเอียบมาแรงเม้า เพศสูรูปหนึ่งไปโค้อองพระพุทธเจ้าว่าพระจักกุบาล น, นั่นเดินจงกรมแล้วก็เหยียบมะเร็งเม า, าตายเป็นกองกองพระพุทธเจ้าก็เรียกไปพอเรียกไปก็เธอ ม, มีความรู้สึกยังไงที่ไปเหยียบมะเรงเม้าตายเป็นกองกองอย่างนั้นพระจักกุบาลก็กราบทูลว่า กลพระองค์ไม่ได้เจตนาพระเจ้าค่ะนี่คือพระอาราหารันเน่ยท่านไม่มีเจตนาเมื่อไม่มีเจตนากรรมคือการกระทำก็ไม่มีผลกรรมก็ไม่มีเห็นไหมนี่ไม่มีเจตนาฉะนั้นถ้าเรามีอะไรขึ้นมาแต่เราไม่ได้เจตนาเราไปเยียบ์ผมมาเลงม้าอย่างนี้ไม่ได้เจตนาเพราะท่านตาบอด แล้วก็กลางคืนด้วยตอนเดินน่ะก็เป็นอันนอยกยอดนั่นนคือพระอรหันต์ท่านไม่มีเจตนาทีนี้นางอุบลวรรณนาน่ะพิกจุณีน่ะท่านก็เป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ในสมัยนี้ในสมัยนี้ก็บางทีเป็นยังไงฉันเป็นพระโสดาแล้วพระ ตกิตาค า, าแล้วพระนาคาแล้วพระอรหันแล้วนี่มันไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ยังไม่เว้นอย่างนั้นยังไม่เว้นถ้าเว้นแล้ว ก, ก็จะไม่คิดแม้แต่ตัวเองคิดก็ไม่ได้คิดว่าเป็นพระอรหันนี้ก็ไม่ได้เป็นโสดาบันตกิตากานาคาเนี่ยก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าห้ามพิษโส รวมทั้งนางภิกษณุณีอวดอุตริมนุษสธรรมที่ไม่มีในตนอุตริอุตริคืออวดมนุษสธรรมตามที่สูงสุดสําหรับมนุษย์ก็คือไม่มีเจตนานั่นเองคือจิตีว่างจากตัวกูม่นไม่มีเจตนากรรมอะไรที่เขาทาลงไปก็เป็นอันว่ากรรมนั้น อย่างพระตามบอดไปเหยียบเอาการไปเหยียบเอาแมาลงเม้าออตายเน่ะมันเป็นกรรมแล้วได้รับผลกรรมก็ไม่สบายใจเจตนากรรมคือการกระทรําผลของการกระทำเรียกว่าวิบากวิบากวิบากกรรมอย่าวิบากกรรมนี้บางทีก็เป็นหมู่เป็นคณะบางทีก็เป็นตัวบุคคล อย่างในประเทศประเทศเนปาลนั่นทำกรรมกันเป็นหมู่คณะทำกรรมเป็นหมู่คณะเราบุคคลพวกนั้นนับถือพุทธศาสนาเพื่อจะขายของแต่ที่นับถือกันจริงๆมันมีหลายพวกนับถือเจ้าแม่กาลีนับถือพระอิศวรพระนารายณ์ะยอะเยอะแยะเต็มไปหมด ที่นี่พวกกินนับถือเจ้าแม่กาลนะีก็จะปั้นเจ้าแม่กาลีไหวพอเขจะไปแก้กรรมเอาแพะเอาหมูเอาไก่เอาพวกนี้ไปเชือดคอไปเชือดคอแล้วเวลาเลือดมันไหลออกมานะี่ไอจีดไปที่ปากเจ้าแม่กาลีมันโหดเหลือเกินในศาสนานี้ ทีนี้เขาทำกรรมพร้อมกันเลยสิบปีเขาจะบูชาจเจ้าแม่กาดีครั้งหนึ่งเอาแพเอเกะเอ า, เอาวัวเอาควายเอาอะไรไป<ม>เขานับถือกันมาตั้งแต่สมัยโน้นสมัยพระพุทธเจ้าน ون, ้นหรืออาจจะก่อนนั้นพระเจ้าแฟเสนาที่โกศ<ม>ลพระเจ้าแผ่นดิน เป็นยังไงท่านก็คือมั่วในเรื่องผู้หญิงมั่วด้เรื่องกามเรื่องกามกับเรื่องกินสองอย่างสองอย่างที่นี่คือท่านน้นนำนอนหลับพอนานนอนหลับแล้วก็ได้ยินเสียงกลางดึกนตุสนานโศอร่อยตุสนานาโศ เป็นห่วงว่าไม่รู้ว่าอะไรทูตสานาโซนี่หมายความว่ายัางไงก็บอกให้พวกโหรน่นลนะโนประจำเมืองประจำสำนักนะนะ่แหละมามาทำนาย้พวกนั้นโดนทำนายเราๆไปอย่างนั้นนะทำนายไม่ถูกก็โดนตัดคอทีนี้ก็กดถือไอ้อย่างนี้อยู่แล้วพอาโ อ, โอ้ไม่ได้แล้วระองอาอาจจะถึงเสียชีวิตก็ได้หรือว่าพระราชวังนี่ จะล้มละลายหมดก็ได้อืแต่ก็ตกใจแล้วพวกเธอจะให้เราทํำยังไงอ่ะพระองค์จะต้องเอาเด็กตารกผู้หญิงร้อยหนึ่งผูชายร้อยหนึ่งไอ้ดาราตั้งหลายที่มันสวยๆหล่อๆอย่างละร้อยละร้อยเอาแกะมาร้อยหนึ่งเป๊ะร้อยหนึ่งหัวร้อยหนึ่งควายร้อยหนึ่งเอามาแก้กรรม ต้องเชื่อดคอต้องเชื่อดคอแล้วนั่นแหละบูชาเจ้าแม่กาลีนี่ไอ้พวกนั้นไอ้พวกโหร น, น่ะมันทานายทำนา ย, ท, นายทีนี้ก็จับเด็กจับพวกดาราจับพวกอะไรมามาขังไว้ในสนามพวกเด็กมันก็หิวนมมัง่งอะไรมัง่งร้องไห้กันใหญ่โตเลยรั่นกันไปหมดพระนางมาลิกานี่ เป็นอภรรยาเรียกว่าภรรยาหลวงเนี่ยเมียหลวงเอ๊ะทำไมเสียงมันคว้าลั่นเนี่ยน้องโอจังเลยมันมีอะไรขึ้นมาก็าไปหาพระเจ้าปเสนที่โกศลถามพระเจ้าพระเสนที่โกศลว่าเป็นยังไงพระเจ้าก้าจึงได้ยินแด่เสียงเหมือนคว้าตลม ทานเขาเออเธอยังไม่รู้หรอือฉันจะตายอยู่แล้วอฉันจะตายอยู่แล้วเป็นยังไงก็บอกว่าเนี่เคืนเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เขาบอกว่าให้ให้พวกโหรทํานายว่าให้ไปจับเด็กทารกผู้หญิงผู้ชายเด็กนมเด็กสาวคนเท่าคนแก่มาอย่างละร้อยละร้อยละร้อยละร้อยจนเต็มสนาม หัวควายอะไรแเปกแก่เต็มสนามมันก็ร้องไห้กันโวยวายกั น, กนโอ้นี่พระองค์จะไปฆ่าสัตว์จะทำพรีกรรมอย่างนัน้นมันไม่ถูกต้องเอาอย่างนี้ที่พระองค์นี่นี่จวยอาหารก้าวหอมวั น, นหนึ่งทานานจะพวกก้าวสาร นี่จะแดงวันสวยมากก้าวสารวันละหนึ่งนานแต่วพวกพวกเนื้อปิ้งเนื้อย่างพวกอะไรนี่ของอร่อยทั้งนั้นแต่แล้วทำไมพระองค์อย่า ง, งโง่อย่างนี้นี่ภรรยาหลวงจัดการแล้วแต่อย่างนั้นต้ไป น, น้นไปหาพระพุทธเจ้าที่เชตวันเออมเมืองเมืองนั้นเน่ต้องไปที่เชตวัน ถาวัถีเขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ เ, า เ, าเอใจว่าเอ๊ะทำไมมกาพระองค์จึงมาตอนกลางวันคือปกติพระเจ้าเป่นดินหรือการราชการนี้ก็ะจะไปตอนกลางคืนมันว่างจากการงานแต่นี้ไปตั้งแต่ยางวันก็ไม่กล้าพูดดีพระนางมณิกาก็พูดแทนดิ่ โอ้นี่ยเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพูดแทนพอพูดแทนติดนะโอ้พระพุทธเจ้าก็ตทัดว่าไม่เป็นไรหรอกของพระองค์นะ่ะเรื่องตูดสารนาโสนี่ก็มาแสดงให้ได้ยินแค่นั้นเองแต่ไม่เกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ไม่เกี่ยวกับก้าตดาบอริวารหรือไอ้ทรัพย์สมบัติ แต่ว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะมีชายสีนคนนะจะหมัยนู่นนานเป็นพันปีหมื่นปีแล้วเป็นลูกเศรษฐีมีเศรษฐีนั้นก็มีเงินมีทองโกละแปดสิบโกดแปดสิบโกดแปดสิบโกดแปดสิบโกดพอเศรษฐีตายกันไปหมดเหลือลูกกันอยู่สี่คน เหลือลูกที่คนไหนทรัพย์สมบัติก็มากแล้วเกินทำยังไงทีเนี้ก็เลยทรัพย์สมบัติใช่ไม่หมดก็เลยอคนนั้นก็เสนอไปอย่างคนนี้ก็เสนอไปอย่างหนึ่งเราเป็นเพื่อนเกลอกันก็เกือไอ้พวกเกเรทั้งหลายนี่แหละพวกเศรษฐีลูกนายทุนพวกนี้แหละเอาเปรียบคนอื่นทางนั้นเพราะพ่อแม่มันรวย แม่แต่ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ที่จังหวัดตรังอ่ะไปเข้าโรงเรียนมีชื่อเสียงมาเรียนเก่งแต่ว่าพ่อแม่มันยากจนทีนี้ไอ้ลูกคนรวยก็อยู่เต็มแกล้งไปแกล้งเพื่อนโอ้ยโทรศัพท์อาเลยชาเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทเองนี่ไม่ดีเหมือนกับของเราออย่างเนี้ยแซวจนเพื่อนไม่ต้องอยู่เลย ไม่ต้องอยู่ฉะนั้นไอ้โรงเรียนลูกคนรวยเนี่ยมันก็ไม่ดีเนี่ยอย่างเนี้ยลูกคนรวยแต่ว่ามันรวยอะไรอ่ะพ่อแม่มันก็รวยแต่ทรัพสมบัติมันขาดทำมันไม่ได้รวยธรรมนี่ไม่ได้รวยธรรมะฉะนั้นมันรวยจริงๆมันต้องรวยธรรมะควบคู่กันไปมันจึงจะได้เศรษฐีน่นะ ทุกบ้านตอนเช้าก็าจะทำข้าวต้มแล้วก็เป็นหม้อโตๆโตใครที่ลำบากยากเก็นก็ถือภาชนะไปข้าวแถวกันเลยเ็าก็ตักให้ตักให้ตักให้ใหใหเศรษฐีบ้านนั้นเศรษฐีแอ้บ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยนายทุนเศรษฐีหายากอีนี่ในเรื่องของ พระเจ้าปาสสันที่โกศลนี่คือไอ้พวกนั้นแหละไอ้สี่คนอ่ะลูกคนรวยลูกเศรษฐีอ่มันพยายามที่จะพรานสมบัติให้หมดก่อนที่มันจะตายมีเต้นราตรงไหนก็ไปอะไรตรงไหนก็ไปหมดแต่แล้วคิดกันเราจะทำยังไงดีงเงินมันมากเหลือเกินคนหนึ่งก็ว่าดื่มกันดีกว่าดื่มคนหนึ่งก็หาผู้หญิงดีกว่า ออไปไปมามาเกิดไปทำชู้ทำมีใครมีเมียสวยๆอะไรไปเอาของก็หมดเอาเงินนี่แหละไปตีหัวเขานี่เงินนี่มันเป็นโทษนะเนี่ยบาปกรรมแต่ถ้าเรารู้จกักาจมันก็มีประโยชน์ทีนี้ไอ้พวกนี้แหละตายไปพอตายไปไปตกนรกนะ ก็อยู่ในกระทะทองแดงอรกระทะทองแดงก็ใหญ่โตโหรานเพราะคนชั่วมันมากแล้วก็อยู่ใต้บาดาลตรงไหนก็ไม่รู้เป็นยังไงอยู่ในกระทะทองแดงน้ำทองแดงก็เดือดปุดปุดปุดปดดดดมันก็ไปอยู่ที่ก้นอยู่ที่ก้นแล้วก็เอาขึ้นมาอยู่ที่ปากกระทะอยู่ที่ก้น ก, กว่าจะขึ้นมาถึงปากกระทะสามหมื่นปีนี่คิดดูดิมันไกลขนาดหน่อยสามหมืนปีขึ้นมาถึงปากกระทะเรียว่าหม้อทองแดงลงไปอีกสามหมืนปีนี่ตายตายไม่ต้องทําอะไรอย่าเป็นเลยไอ้เทตีคนรวยอย่างนั้นอย่าเป็นเลย ถ้าใครจะเป็นเศรษฐีก็ต้องใจบุญแต่ถ้าใครเป็นนายทุนก็ใจบาปทีนี้พวกนั้นแหละมันขึ้นมาขึ้นมาทีละคนทีละคนทีละค น, ะคนมันก็เลยกล่าวคาถากล่าวโยโ ย, โย่กล่าวได้คำเดียวว่าอย่าให้พวกเรานี่อย่าทำชั่วให้ทำแต่ความดีมีธรรมโมธรรมะช่วยเหลือเผื่อแป่เพื่อนมนุษย์มันพูดไม่ได้ มันพูดว่าทุกอา้าวลงไปแล้วสามหมืนปีอีกคนหนึ่งก็เอาขึ้นมาต่อสา3 0มื่นปีอีกถึงปากกระตะปากหม้ออีกคนหนึง่งนะอีกคนหนึ่งก็โฉนี่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง3ามหมืนปีเราจะนับไหวออย่างเนี้ยนี่มันเป็นประโยชน์อะไรทีนี้น่าะพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านจึงตัดว่า ไม่ได้เป็นอะไรพระองค์ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนี่เพราะว่าถ้าไปทำกรรมด้วยการตัดคอเด็กตัดคอพวกทารกคนสาวคนแก่ดาราปภโะยะนาระพวกนี่ดาราโทรทัศน์นี่ให้เลือดก็ฉโชดไปที่ปากเจ้าแม่กาลีกรรมยิ่งหนักก็ไปเอง นั่ น, นคือกรรมกรรมกรรมกิเลสเป็นอะไ้ทํากรรมทํากรรมได้รับผลกรรมนั่นคือวิบากฉะนั้นคนที่ทํากรรมดีไม่มีกิเลสว่าไ ม, ม่กิเลสการกระทํานั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นนางของเรื่องของนางนางพิจุนีที่ ที่ชิวอบนวันนาเนะ่ะท่านก็นอนที่กระตอบของท่านนอนกระตอบของท่านวันนั้นก็ออกไปกลางนอกออกกลางนอกทีนี้แดดมันแรงมันจ้าแดดในประเทศนั้นเน่ตายกันคนเป็นร้อยเป็นพันเลยประเทศอินเดียนะ่ะแดดมันจ้าพอมาถึงก็เข้าไปในกระต่อบไปนอนไปนอนทีนี้ไอ้พวกบากราคนหนึ่ง มันก็หมายตาไว้หลายวันแล้วก็นางข้าวไว้ในห้องก็ mm hmm. งไม่ได้ปิดมิดชิสนี่ธรรมดาธรรมดา่าไปถึงกันนอนนอนไปเคลิมเคลิ่มหนึ่งต่บรรษก้อนนี้ข้าไปถึงก็ครอบเลยครอบนางปิกโตนีเพื่อให้สำเร็จความใกล้ของตัวเองทีนี้ผู้หญิงแรงน้อยสู้ไม่ได้ เรื่องก็ดังออกดังออกดังออกดังออ ก, ด, ออกดังออกก็เลยพิสูจน์กันนางวิสาขาเอาคือผู้หญิงด้วยกันนั่นแหละก็จะได้รู้ว่าเรื่องกูข่าวขึ้นมาหรือว่าเรื่องจริงอืก็เลยนางวิสาขาก็ไปพิสูจน์พิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงทีนี้พระก้าวหาพระพุทธเจ้าว่านางจะขาด จากเป็นนางพิกรณีหรือไม่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามว่าตนที่บุรุษคนนี้เ อ, เ, อ เ, อเอา เ, อ, อ, อ, าเอาวเอวยาเพศของเขอใส่ในอวยยาเพศของเธอเธอมีความรู้สึกยังไงพอใจหรือไม่พอใจใเป็นยังไงนางก็บอกว่านางไม่ได้มีเจตนา แล้วก็เฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยคือไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้มีเจตนาว่าไม่มีเจตนาอย่างนี้กรรมมันก็ไม่มีนางก็เลยไม่ขาดจากความเป็นนางพิทุนีพระก็จะไม่ขาดถ้าเป็นพระก็ไม่ขาดมันพระจักกูบาลอย่างนี้แต่พระจักกูบาล น, นั่นตาอาบัติก็เพียงปาจิตติแต่นางอุบลวันนาเนี่ ถึงขาดจากความเป็นนางพิกจุนีแต่ว่าไม่ขาดเพราะอะไรเพราะทั้งพระทั้งนางพิกจุนีสองรูปนี้เป็นพระอรหันต์ไม่มีเจตนาว่าไม่มีเจตนาเลยกรรมก็เป็นนั้นว่าไม่ได้มีเจตนาก็เป็นนั้นหลุดกันไปหมดผลของกรรมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่ความพอใจก็ไม่เอาความไม่พอใจก็ไม่เอานี่จ็บ เป็นธรรมชาติที่ม่ยึดมั่นถือมัน่นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดนี่กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากทีนี้ถ้าทำไปด้วยอำนาจของกิเลสนั่นเรียกว่าทำกรรมเพราะทำกรรมผลที่ออกมามก็เป็นผลที่มีเจตนานั่นแหละขาดทีนี้คนเราตามธรรมดาเมื่อไม่ได้ปฏิบัติตาม มีทั้งกิเลสมีทั้งกรรมอุบายกิเลสกรรมอุบายกิเลสกรรมอุบายเวียนอยู่อย่างนั้นเวียนอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแบบย่อๆอย่างนี้แบบย่อๆกิเลสเป็นเหตุใ้ทํากรรมทํากรรมได้รับผลกรรมได้รับผลกรรมถวยผลกรรมได้ทํากิเลสต่อมีกิเลสต่ออีกทํากรรมอีกได้รับผลกรรมอีกวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนั้น นั้นเราปฏิบัติทำเนี่ยเพื่อที่จะละกิเลสกิตที่มันโง่ที่มันมืดที่มันบอดพอละกิเลสเราทําอะไรผิดพลาดไปบ้างอะไรเราก็ไม่มีเจตนาก็าไม่มีเจตนากรรมนั้นก็ยกยอดกันไปอย่างนี้นี่คือเรื่องกิเลสกรรมวุบากกิเลสกรรมวบุบนวายอาจานั้นนางภิกษุณีหรือแม่ชีของเราอย่างนี้เราไปนอนที่ตรงไหน สองพ่อขอให้ไปนอนสองแต่นอนหนึ่งแต่ไม่ใช่นอนม้งเดียวกันนอนสองมีอะไรก็พอที่จะเรียกกันได้อะไรได้เช่นว่านอนนอนเอางูมันเข้ามาในกรดอะไรอย่างเนี้เราก็จะได้ช่วยเหลือกันจะได้บอกให้เพื่อนได้รู้กันนี่แหละดังนั้นไม่ใช่ไปนอนอุดกันเป็นกลุ่มมันไม่ใช่ ให้นอนตองนั้นก็คือต้องต้องสองไม่ใช่หนึ่งต้องสองนี่แหละเรื่องมันมันเป็นอย่างนี้ทีนี้อย่างสมัยกนะ่อนเนาะนางชีก็ดีพิกษุณีก็ดีแต่พระองค์จะจัดว่านางพิกษุณีจะไปอยู่ที่วัดไหนที่สำนักไหนสำนักนั้นจะต้องมีพระถ้าไม่มีพระอยู่ไม่ได้คือพระเนี่ยจะช่วยดูแล นางพิธูนีก็เราบริษัทเดียวกันแต่พวกพิธุนีก็ไม่ใช่หนึ่งพระหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อีกพระหนึ่งพิทูนีหนึ่งไม่ใช่เราห้ามไม่ให้นั่งในที่สองต่อสองกับพระในที่รับหูในที่รับตาเพราะฉะางนั้นใครจะไปหาหลวงพ่ออย่าไปเดี่ยวไม่ได้นี่เราต้องถือ นั่ต้องถือเรื่องนี้ไม่ถือไม่ได้ดังนั้นเราไปอยู่ที่ตรงไหนไปนอนที่ตรงไหนที่เงียบเงียบที่สงบต้องไปสองแล้วก็ประตูวัดเนี่ยจะต้องล็อกุญแจทุกคืนเราเชื่อไกลไม่ได้เชื่อไกลไม่ได้ดังนั้นทุกคนต้องเป็นหูเป็นตายตัวเองเป็นหูเป็นตายคนอื่น พอมีเรื่องขึ้นมาแล้วมันปัญหามันมากเดี๋ยวนี้มันนินทาโกนมันไม่ต้องนั่งพูดหรอกมันทิ้มทิ้มทิ้มทิ้มทิ้อเทโลทร์นี่แล้วก็รู้กันตัวบ้านตัวเมืองแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไอเรียกว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้าแต่แล้วธรรมะนี่กุดธรรมะนี่ไม่มีใครเอาเพาว่าถ้าเอาธรรมะไม่มีอะไรกินไอฉันร่ำรวยก่อนฉันจึงไปหาธรรมะ ไอ้พูดอย่างนั้นนะ่ะมันพูดได้แต่รวยแล้วมันเป็นทุกข์มันก็ไม่รู้นี่เพราะมันขาดธรรมะรวยแล้วมันเป็นทุกข์กับเพราะมันขาดธรรมะแค่จะเอาอะไรเอาสองรวยดีกว่ารวยธรรมะรวยเงินทองแต่เสร็จแล้วรวยธรรมะรวยเงินทองธรรมะก็ต้องมาอันดับหนึ่งแต่ว่ารวยเงินทองแล้วไม่ก้าวไปอยู่ในกระปุกน้ําพลิก เงีนยไห ม, มนั่นคือรวยเงินทองแอต่ว่ายึดมัน่นเยอะถือมัน่นก็เลยเข้าไปอยู่ในกระปุกน้ําพริกเห็นไหมถ้านั้นถ้าเรารวยธรรมะมันอะไรมันก็มาเองแหละมันมาเองถ้ามันไม่มาช่างหัวมันไม่เป็นไรหากินวันละมื้อก็ได้เรามีบาทอเรามีบาทแล้วอะไรแล้วอ่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นี่ ตอนแรกหลวงพ่อมาอยู่ไปวินทบาตวันแรกได้ประทูตัวเดียวนี่มานั่งฉันนั่งฉันที่อยู่ใต้ต้นจับปลาเพราะตนา้นไม้เราก็ไม่มีต้นจับปลาเท้าข้อมือได้นี่เราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไอ้มากมากมากมากมากมกว่าเดี๋ยวนี้ฉันไม่หมดเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อรวยรวยอะไร รวยธรรมะนี่ยเพรารวยธรรมะแต่หลวงพ่อไม่รวยธรรมะนโยมมาบวชจีนมาอยู่สำนักนี้มาอยู่ทําไมอ่ะได้อะไรบ้างเห็น ไ, ไหมไเราต้องรวยได้แต่ต้องรวยธรรมะควบคู่กันไปกับรวยทรัพย์แต่ทรัพย์ของเราถ้ามันมีพออยู่พอกินก็ดีแล้วไม่ต้องไปเป็นทุกข์กัมมันนี่ทีนี้คนเขาไข่ใจพี่ เขคิดว่าต้องรวยเงินเท่านั้นรวยเงินรวยเงินอทําไมไม่ไปวัดไปวามาั่งะโยมโอ๋อเดี๋ยวก่อนได้รวยก่อนนี่รวยแล้วมันจะได้บ้าบ้าอร่อยบ้าทรัพย์สมบัติบ้าความรวยบ้าคือยึดมันมนนนดม่นถือมั่นนั่นเองยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้าบอกว่าเราบ้า น, น, นั่นแหละบ้าทรัพย์สมบัติยึดมั่นถือมัน่นเพราะยึดมั่นถือมัน่นมีอะไรเกิดขึ้นต่อก็อมีความทุกข์และเกิดต่อทีนี้ นั่นนะแต่เรารวยธรรมถ้าเรารว ย, ยธรรมะเรามีทรัพย์ว่าอ้กระดาษนี้ไนะกระดาษนี่แต่ไม่หราโง่เร า, า way, ก็ใช้ไปในทางที่มันถูกต้องแค่มันก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไปยึดมันดม่นถือมันเงินต่องงเงินทองงเงินทองนี่แหยากจนคนนั้นจนจนธรรมะดังนั้นอย่าไปดูถูกธรรมะ ใครจนธรรมะคนนั้นยิ่งทุกข์หนักถ้าเราปฏิบัติตีตื้อขึ้นมาเรามีเงินมีทองขึ้นมาอะไรขึ้นม า, าก็ไม่ได้เป็นทุกข์เงินทองนั้นยียบมโนไว้ใต้ขวาเท้าของเราให้มันเป็นธาตเราเราอย่าไปเป็นธาตมันแต่ถ้าเราโง่กว่ามันมันมาอยู่บนหัวเราเห็นไหมนี่แหละถ้าเราจนธรรมะ จับสมบัติเงินทองอะไรต่ออะไรมันมาอยู่บนหัวเราแต่ถ้าเราฉลาดเพราะเรามีธรรมะมันก็อยู่ใต้ขว่าเท้าเรามันเป็นทาตเรานี่ยทีนี้จะเอาอยัางไงกันแน่เราจะเอามันเป็นทาตหรือว่าจะเอามันเป็นนายถ้าเอามันเป็นนายมันก็มาอยู่บนหัวเราถ้าเอามันเป็นทาตก็อยู่ใต้กว่าเท้าของเรานี่เรื่องมีเท่านี้อาขอจบ วันนี้ออาไปแจ่เพียงตอน